บุ๊ก2 41เชเฮลโลยที่ไหน ج ه ฮตยาบีสำนักงานการท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนคะซอร์สนเกอร์ดิชกอรโคจส คุณมีแผนที่เมืองให้ดีชันไหมคะ یک นัก شه شهری برای من ดารีดจองโรงแรมที่นี่ได้ไหมคะมีทาวาน اینجا یک โอตาบดัรโฮเทลเรเจรฟการ์ดมืองเก่าอยู่ที่ไหนบ افت قدیمشه کجاست วิหารอยู่ที่ไหน เชดิซอยบูซอกโคจัสต์พิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไหนมูเซโคจัสต์ซื้อสแตมได้ที่ไหนโคจอมีทาวน์ไทมคขายซื้อดอกไม้ได้ที่ไหนโคจอมีทาวนกุลขาซื้อตั๋วได้ที่ไหน โคจมิ ت า ا นเบลีทขายท่าเรืออยู่ที่ไหนบนดาร์โคจสตลาดอยู่ที่ไหนบอสอร์โคจสปราสาทอยู่ที่ไหนกาส์โคจสการพาเที่ยวชมเริ่มเมื่อไหร่ ท د د ัวร์บอดดิดเคยเริ่มมีชาดการพาเที่ยวชมจบเมื่อไรทัวร์บอดดิดเคยตามมมีชาดการพาเที่ยวชมใช้เวลานานเท่าไหร่ทัวร์บอดดิดชัทูลมีแคชัตดิฉันต้องการมาคุเทที่พูดภาษาเยอรมัน من یک ر ا ه ن م ا م ی خواهم که آلمانی صحبت کند. د ی ک راه ن م ا م کوتهایی که ک ر ا ه ا ی ایتالیایی صحبت کند. دیشب ت ง ن س ت م کوتهایی که ح ر ه فرانسوی صحبت کند.